เพื่อดําเนินจึงจะเป็นไปเพราความสะดวกสะดวกราบรื่นตลอดไปได้ไม่เช่นั้นก็ต้องเฟจนได้ด้วยเหตุนี้าศาสนากับเราจึงแยกกันไม่ออกแยกไม่ออกก็เพราะความสุข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 และความไม่ถูกนั่นยังอาจจจระบาดไปให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนด้วยทีนี้ความรักตนสาหรับเราเองก็เช่นเดียวกันความรักตนในสถานที่นี้หมายถึงศีลธรรมเป็นหลักเป็นแั่นสารภายใน จ, ใจิตใจคือเหตุผลนั่นแหละเป็นหลักใจเอาหลักเหตุผลเข้าปเป็นหลักใจอันใดถูกอันใดผิด เราคำนึงเสมอและพยายามดำเนินให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลคือความถูกต้องยีงามนั้นยากลำบากเราไม่ต้องไปถือสำคัญยิ่งกว่าความถูกต้องดาเนินไปตามนั้นจนมีความเคยชินเมื่อมีความเคยชินแล้วเรื่องความอยากก็ไม่สามารถที่จะมากาั้นกลางห่งห้ามหรื อ, อกีดกันเราได้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 แสดงออกทางในย่อมสอถึงใจผู้บงการเสมอเพราะนั่นใจผู้บงการจึงควรจะได้รับการอบรมที่ถูกต้องดีงามเพื่อจะระบายออกในทางที่ถูกผลที่ที่ย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราจึงจะเป็นความร่มเย็นศา ส, สนาจึงเป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ให้ความร่มเย็นเป็นสูขแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ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 ลดคุณค่าแห่งธรรมชาตินี้ไม่มีเจืออยู่ภายในสินค้าประเภทนั้นเลยเป็นสินค้าวิมุตต์หลุดพ้นโดยประการทั้งปวงได้แก่ดวงอิดพระราหารันท่านสินค้าประเภทนี้กระเทือนทั่วโลกกระแทกทีเดียว น, นี่แม้แต่อยู่สัตว์อยู่ใต้ดินหรือนรกอเวกีก็ถ้าพรมาได้จะเพ่นขึ้นมานารกแตกเป็นไระจะว่าง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 ถ้าหากว่ารถไม่เหนือทำทำจะอยู่ครองโลกได้อย่างไงคนจะเป็นนับถือพุทธศาสนาหรือนับถือธรรมได้อย่างไรนี่เรื่องความอัศาจรรย์เป็นชั้นๆหากว่าเป็นสินค้าพอที่จะแยกเป็นด้านวัตถุออกมาจับจ่ายขายตามท้องตลาดแล้วตีตลาดโลกแหลกหมามโลกธาตุนี้ไม่มีที่ใดที่จะมาเป็นคู่แข่งสินค้าประเภท 3- าสประเภทนี้ได้เลย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 ทำจริงเหมือนไม่ใช่ทำเหมือนไม่มีเหมือนไม่มีทำความศักดิรร์สิทธิพิเศษแต่อย่างไรเลยเพราะเหตุไรเพราะสถานที่ที่ศักดิรร์สิทธิพิเศษจุดที่ศักดิรร์สิทธิพิเศษนั้นมีแต่ของเลอะเทอะเปรอะเปื่อนเต็มไปหมดอยู่ภายในจิตมองดูแล้วมันเหมือนกองงูกองคูดทั้งๆที่ธรรมชาตินั้น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 ที่เกิดขึ้นแห่งความชสมบงังมีทางเดียวนี้เท่านั้นนี่หละการสร้างาศาสนาการฟิตตัวให้ดีก็ฟิตตรงที่ตรงนี้คือแก้สิ่งที่ไม่ดีภายในใจิตใจของตนเราจะได้เห็นร้านค้าของเราสินค้าของเรามาเป็นของอัศจรรย์มากน้อยเพียงไรภายในใจของตนในระหว่างขันกับกิจเราจะได้เห็นชัดๆ